เวลาเรากินข้าวนะมันมีหลายๆอย่างเกิดขึ้นในใจของเราเช่นความคิดนึกไม่ว่ามันจะมีความคิดอะไรเกิดขึ้นก็ให้เรารับรู้ถึงรสชาติของอาหารด้วยรับรู้ว่าอาหารที่เราเคี้ยวที่เรากินเนี่ยมันหวานมันเ ป, นปรี้ยวหรือว่ามันเค็มบางคนนะกินข้าวมาตั้งนานนะจน อยู่ในใบกลางคนล้ยังไม่รู้เลยนะว่าข้าวนี่มีรสหวานเพราะว่าอะไรเพราะว่าใจลอยคิดโน่นคิด น, น, ดนี่คิดเรื่องงานเรื่องการคิดว่าจะทำอะไรหลังจากกินอาหารเสร็จนะจะโทรศรัพท์คุยกับใครหรือว่าจะเดินทางไปไหนมีประชุมเรื่องอะไรคิดในะเรื่องงานเรื่องการหรือคิดเรื่องลูกเรื่องหลานเลยไม่รู้เลยอะไรนะว่าอาหารที่ เคี้ยวอยู่ในป่าเนี่ยมันมีรสชาติยังไงข้าวก็ไม่รู้ว่ามันหวานเพราะว่ามันไม่ชัดเจนไม่หวานชัดเจนเหมือนกับ น, น้าตาลนะอันนี้รู้รสชาติอาหารแล้วเนี่ยมันก็จะสังเกตว่ามันจะมีความรู้สึกสุขทุกตามมาด้วยนะที่เขาเรียกวทนาเช่นถ้ามันหวานนะบางคนก็รู้สึกมีความสุขนะ เกิดสุขเวทนาขึ้นแต่บางคนชอบเปรี้ยวพอได้กินอะไร เ, เปรี้ยวก็เกิดสุขเวทนาส่วนคนที่ชอบหวานถ้าเจอเปรีย้ยก็จะเกิดทุกขเวทนาหรือบางทีเผ็ดมากๆเนี่ยก็เกิดทุกขเวทนาหรือบางทีมันไม่อร่อยอย่างที่คาดก็เกิดทุกขเวทนาไอความรู้สึกเนี่ยอย่างนี้เนี่ยก็น่าจะรับรู้ด้วยนะ และแน่นอนนะคนเราก็ย่อมปรารถนาสุขเวทนาจึงอยากกินอาหารที่อร่อยถูกปากแต่ก็อย่าใช้แต่ความรู้สึกในการกินอาหารนะถ้าเราใช้ความรู้สึกในการกินอาหารนี่มันก็แย่นะเช่นอาหารอะไรที่ทำให้เกิดสุขเวทนาก็กินเยอะกินมากกินเป็นประจำ เช่นหวานมันของปิ้งย่างทอดอันนี้ก็เกิดอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวได้หรือบางทีในระยะสั้นก็อาจจะเกิดอาการจุกยัไม่ต้องพูดถึงว่าตัวกิเลสเนี่ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะกินตามใจกิเลสอาหารบางอย่างเนี่ยมันก่อให้เกิดทุกขเวทนาเพราะไม่ชอบเช่นาหารจืดจืดหรือว่าผัก นะไม่มีเนื้อนะพอเกิดทุกขเวทนาขึ้นก็เลยไม่ชอบก็เลยไม่แตกในแบบนี้ก็เกิดปัญหาขึ้นมาได้นะเพราะว่าพอร่างกายเราขาดผักขาดไฟเบอร์เนี่ยมันก็เกิดปัญหากับร่างกายปัญหาสุขภาพการถ่ายท้องการระบายถ่ายท้องก็จะไม่ค่อยดีต่อไป ระยะยาวก็จะทำให้เป็นมะเร็งลําไส้นะเพราะนั่นเนี่ยเราจะใช้แต่ความรู้สึกอย่างเดียวในการกินอาหารเนี่ยมันไม่พอมันต้มีความรู้สึกอย่างหนึ่งตามมาด้วยนะหรือกํากับคือความรู้สึกตัวนะความรู้สึกตัวถ้าเรามีความรู้สึกตัวเนี่ยนะมันก็จะไม่เพลินกับสุขเวทนาหรือมันก็ ไม่ใช่เอาแต่หลีกเลี่ยงทุกขเวทนาหรืออาหารที่ไม่ชอบการ ม, มีความรู้สึกตัวาการกินหารของเราก็จ ะ, อ, ะอยู่ในความพอดีไม่กินมากไปเมื่อเจออาหารที่อร่อยที่ทำให้เกิดสุขเวทนาหรือทำให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจ แล้วแต่เด็กกา็ทำให้ขคนขวายในการที่จะกินอาหารที่แม้จะไม่ถูกใจแต่ว่ามันมีประโยชน์นะให้เราลองกินอาหารโดยใช้ความรู้สึกตัวมั่งอย่าใช้ให้ความรู้สึกสุขทุกเนี่ยเป็นตัวนํานะคนเราถ้าอยู่ด้วยความรู้สึกโดยเพราะเข้าหาแต่สุขเวทนาหลีกเลี่ยงทุกขเวทนา มันก็แย่นะเช่นการนั่งเล่นนอนเล่นเนี่ยอมันสบายมันคลๆก็ชอบนะอันนี้ก็เป็นสุขเวทนาอย่างหนึง่งขณะที่การออกกำลังกายวิ่งนะหรือว่าการว่ายน้ำเนี่ยมันเหนื่อยมันก็เกิดทุกเวทนาแต่ว่ามันก็มีประโยชน์ถ้าเราใช้ไม่ใช้ หรือไม่มีความรู้สึกตัวนะมันก็จะหลงได้ง่ายมันก็จะใช้ชีวิตไปตามแรงผลักของสุขเวทนาซึ่งมักจะเป็นแรงผลักของตันหาหรือกิเลสเพราะมันมุ่งความถูกใจนะเดียวกันนะถ้าเราใช้แต่ความรู้สึกนะเราก็จะเพลิดเพลินหรือแสวงหาแต่สิ่งบันเทิงเริงลมนะเอาแต่ดูหนังฟังเพลงเล่นเกม พาะมันทำให้เกิดสุขเวทนาแต่ว่ามันเป็นโทษนะต่อร่างกายและจิตใจการศึกษาค้นคว้าตำรับตำราหรือการปฏิบัติธรรมเนี่ยน ะ, ะมันอาจจะทำให้เกิดทุกขเวทนาในช่วงแรกแรกแต่มันก็มีประโยชน์เราทำงันได้เราต้องมีความรู้สึกตัวนะเป็นตัวกากับเพื่อไม่ให้เพลินหลงไหลไปกับสุขเวทนา นะจนเกิดโทษหรือว่าปฏิเสธแต่ปฏิเสธสิ่งที่ทำให้เกิดทุกขเวทนา ท, ทั้งที่มันมีประโยชน์นะในเวลากินอาหารเนี่ยเราอย่าใช้แต่ความรู้สึกในความหมายที่แสวงหาแต่ทุกขเวทนาแต่ว่าให้มีความรู้สึกตัวด้วยแล้วควบคู่กันไปนั่นก็คือการใช้ความรู้นะนอกจากความรู้สึกชอบไม่ชอบอร่อยไม่อร่อยโดยมี ความรู้สึกตัวมากํากับแล้วเนี่ยต้องมีความรู้รู้ว่าอาหารอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายรู้ว่ากินเท่าไหร่ควรจะพอหรือเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพรู้ว่าอะไรที่มันเป็นโทษต่อร่างกายนะถ้าเรามีความรู้เนี่ยในการกินอาหารเนี่ยควบคู่ไปกับความรู้สึกตัวเนี่ยอาหารมันก็จะเป็นประโยชน์นะต่อร่างกาย และการกินอาหารก็จะกลายเป็นการปฏิบัติธรรมเพราะว่ามันเป็นการช่วยเสริมสร้างความรู้สึกตัวเป็นการช่วยเสริมสร้างหรือเจริญสติเวลามีความพอใจเกิดขึ้นเพราะเจออาหารที่อร่อยถูกปากก็เห็นมันแต่ไม่คล้อยตามมันไม่ปล่อยให้มันมากำกับจิตใจเวลาตักอาหารก็ตักแต่พอดีไม่ใช่พอเห็นอาหารที่ถูกใจ นึกถึงความอด อ, อยากที่จะตามมาก็ตากใ ย, ายตากใ่จนไม่เหลือให้คนที่ข้างหลังนะแบบนี้ก็เป็นการสร้างปัญหาให้กับผู้อื่นที่เราจำเป็นต้องคำนึงถึงพออยู่ร่วมกันนะให้ความรู้สึกเนี่ยนะมันมีประโยชน์แต่ว่าอย่าให้มันจำกัดแค่ความรู้สึกสุขทุกข์ให้มันมีความรู้สึกตัวและความรู้นะเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับสุขภาพมันก็ช่วยทาให้เราสามารถจะ ใช้อาหารนี่ในการบำรุงร่างกายและจิตใจทำม้ช่อของเราเนี่ยนะไม่เพียงแต่มีสุขภาพดีแต่ว่ามีประโยชน์นต่อตัวเองและผู้อื่นด้วยนะมันนาไปสู่การใช้ชีวิตที่มีคุณค่าได้เพราะนั้นเนี่ยก็ให้เราตระหนักไว้นะแค่รู้สึกเดียวไม่พอต้องรู้สึกตัวรวมทั้งการมีความรู้นะเกี่ยวกับอาหารที่เรากินรวมทั้งสิ่งต่างๆที่เราเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งเราอาจจะเสพทางอื่นทางตานะทางจมูกนะทางสัมผัสหรือทางใจก็แล้วแต่ไม่ใช่แค่เสพด้วยลิ้นอย่างเดียว